เนี่ยไม่ได้ผ่านยานตั้งหลายรอบแล้วมาแล้วก็ยังกลับมาเป็นบุตุชนไม่ใช่เลยไม่กำเริบถ้าใครผ่านยาณสิบหแล้วในถ้าผ่านหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นพระโสดาบันเลยเนะผ่านหนึ่งครั้งแล้วแปลว่าจะต้องมาผ่านมาเยอะครั้งบางคนปาดตั้งสิบสิบรอบนี่ยุ่งเลยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ผ่านไม่จริงละถ้าผ่านจริงๆรเนี่ยบรรลุจริงเลยนะงั้นวิชาได้แก่วิชาในอริยมรรควิชาในชื่อนั้นเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า แล้วก็สัมมาสังกปาเป็นต้นเหล่านี้นะสรุปก็คือมัคมีองแปดมีวิชาโดยการกล่าวถึงสูงสุดคำว่าวิมุตเก็ได้แกะอะไรอริยผลคือโสดาปฏิผลเป็นต้นแม้ก็ในข้อนี้แม้วิชาในมัคท่านก็ถือเอาความที่บอกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญออขนาดอยู่ในนั้นนะอยู่ในมัคท่นก็นยังเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญอยู่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 และในขณะเดียวกันนะท่านก็ยังหลังจากมรรคจบสิ้นไปแล้วท่านก็เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งด้วยเพราะฉะนั้นนะท่านจึงกล่าวความที่วิ ช, ชาเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งบึ่งเห็นท่านกล่าวความที่ทำทั้งหมดเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งทีเดียวโดยในที่บึงทราบว่าท่านกล่าวความสําเร็จแห่งผลทีนี้การกล่าวถึงเหตุเพราะภาวะเ ห, เหตุนั่นเองเว้นจากผลก็ไม่มีใช่ไหมเว้นจากผลก็มียิงอยู่นะภาวะที่มรรคเป็นเหตุ ก็เกล้าด้วยการยังนิโรธให้ถึงพร้อมภาวะที่ตันหาเป็นสมุทยัยก็ด้วยการยังทุกข์ให้บังเกิดแล้วต่างกันเนาะถ้าพูดถึงว่าทุกข์ซึ่งทุกข์เนี่ยเป็นผลของสมุทยัยนิโรธเนี่ยเป็นผลของมรรคเนี่ยคนละคนละเหตุผลกันเลยนะถ้าตัวทุกข์เนี่ยตัวสมุทัยเป็นตัวผลิตให้โดยแท้เลย ที่ว่าสังกัตโถเนี่ยไอตัวประชุมปรุงแต่งทุกเนี่ยประชุมตาหูจมูกเิ่นกายใจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อลูกประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจากขูวิญญาณโส่ตวิญญาณคณะวิญญาณชีววิญญาณกายยวิญญาณมโนวิญญาณนี่นะจากขุสัมผัสโซตสัมผัสได้ลไปเหอะสิ่งต่างๆเหล่านี้น่ทุกเป็นตัวผลตตัวสมูทยไปผลิตให้ฉันสมูทยนี่เป็นเจ้ากรมใหญ่เป็นตัวผลิตอะไหชิ้นส่วนทุกทุกชิ้น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 สร้างขันเป็นโรงงานผลิตเนี่ยอุปมาณนี้ได้เลยชัดเลยแต่ถ้ามักเนี่ยไม่ใช่เป็นโรงงานผลิตนิพนธนแต่เป็นหนทางใช่มเป็นหนทางเป็นทางเดินเพราะคำว่ามักเนี่ยเป็นชื่อของสิกขาสามใช่ไหมเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นการเป็นการฝึกฝนเป็นการพัฒนาการของศีลสมาธิปัญญาที่จะทาให้ถึงพระนิพพาน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 แต่สมุทัยเป็นหนึ่งในขันห้าใช่ไหมเป็นสังขารละขันด้วยแต่พระนิพานไม่ใช่นิพานเป็นอสังฆตรธรรมเป็นวิราฆาธรรมใช่ไหมเออเป็นไม่ใช่วิราคะเป็นวิสังขารก็แปลว่าไม่ใช่สังขารเป็นวิราคะก็ได้แปลว่าธรรมที่สิ้นราคะแต่วิราคาโดยมากบางศาสต์ท่านใช้ก็อริยมรรทท่านใช้ก็อริยมรรทฉะนั้นยังไม่ตรงตัวเลยทีเดียวเพราะสภาวะของพานิพานจริงๆก็ต้องบอกว่า อนุปาธาปรินิพานนั่นแ่ละคือสภาวะของพระนิพานแท้นะถ้าสาวปาทิเสสนิพานนั้นจะมีการกล่าวปรินิพานที่ยิงแอบขันอยู่ยังเกี่ยวข้องกับขันที่เข้าไปรับรู้เข้าไปเสวยอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าสภาวะของพระนิพานจริงๆถ้าอธิบายให้ชัดต้องเอาอนุปาธาปรินิพานนั่นแหละนะถึงแม้จะกล่าวในเรื่องของสุญญตานิพานอภินิหิตานิพานหรืออนิมิตตานิพานก็ยังเป็นพระนิพานที่เกี่ยวข้องกับสายของอนิจจังทุกขังกัณตา หรือสายก็ง้องอนิมิตตมรักสุญญาตามรักแล้วก็อปัิหิตามรักใช่ไหมซึ่งซึ่งเป็นพระนิพพานที่เชื่อมโยงมาจากการบรรลุการแทงตลอดของวิโมกขมุกนะีปากทางในการบรรลุแต่ถ้าสภาวะของพระนิพพานแแท้ก็คือนั่นแหละสงบจากกิเลสและรูปนามกัน5โดยประการและทั้งปวงนี่เป็นความสงบเย็นจริ ง, รงๆเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้ปวดหัวนะี่นี่เป็นอย่างนั้นดีบายยามกันนะสภาวะพระนิพพานเนี่ยนะ คือสภาอธิบายสภาวะที่เราท่านทั้งหลายยังไม่เห็นยังไม่เคยนอนฝันเห็นพระนิพพานเลย <c oughs> เคยไหมใช่ไหมขนาดนั้นเลยไม่ใช่ง่ายๆเลยเนะี่ยสัตว์โลกที่บบมืดมิดเนี่ยขนาดฝันยังไม่เคยฝันเห็นเลยไนะอ้ตรงนี้ก็คือว่าความเป็นธรรมที่ควรเจริญก็จริงอยู่ถึงขน้นสภาวะทั้งหมดก็ควรรู้ยิ่งนะดังที่ได้กล่าวว่า วิชาเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งกล่าวว่าธรรมทั้งหมดเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งดัทงที่ได้กล่าวแล้วนั่นแหละประการต่อไปก็คือว่าในข้อต่อไปนะท่านอาจารย์ประสงค ah, ์จะแสดงการจำแนกความที่กล่าไวไว้โดยสามมันเกี่ยวกับสัจจะอย่างนี้โดยเกี่ยวกับสัจจะเนอะทุกสมุทัยนิโรธมาร์กเป็นต้นเป็นธรรมที่เป็นไปทางทวารทั้งหลายทางจ้ากูทวารโสตทวารการณ์ทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารเห็มว่าเออสัจจะเนี่ยท่านต้องการจะหมุนให้เราเห็น ใช่ไหมต้องการจะหมุนให้เราเห็นว่าคําว่าสัมมาสัมพุทธะน่ะวิจิตเพียงไรวิจิตพิสดารเพียงไรแล้วท่านทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายไม่เคยเห็นสัมมาสัมพุทธะเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าตรัสรู้ริยสัตว์ทุกๆจุดที่เป็นไปทางจักรุทวาลเป็นยังไงใช่ไหมเพราะในสายของจักรุทวาลนี่โอ้โหเยอะเลยนะจักขุประสาทรูปารมณ์ใช่ไหมสายของจักรุทรวาลไหมจักรกุญญณจักรกุสัมผัสจักรกุสัมผัสชาเวทนาใช่ไหม แล้วก็ตันปปต้นหาไหมรูปตั้หาไหมแล้วอุปาทานไล่ไปที่โอยสายแคสา ย, สายจากาักรวาลนี่เยอะเลยธรรมมาที่เจ้าอม ว, วิจัยลงอริยสัจเห็นไหมลองคิดดูถ้าเราเห็นอริยสัจทุกอนูของทางจากักรวาลเนี่ยจะน่าชื่นใจยงไงก็มาสัมมาสัมพุโทโธปรากฏชัดเลยเอาจากักรคุปสัตถ์ก็เห็นอริยสัจในจกักรคุปสัตถ์เห็นตัวจกักรคุปสัตถ์เป็นทุกทุกสัต์ก็เป็นธรรมที่ควรรอบรู้ไหม เป็นทุกขศาสต่าโอ้ในนั้นมีอะไรมีมีอันนี้จะลักษณะในนั้นน่ะตัวจักรคูประศาส์น่ะมีทุกขลักษณะในตรงนั้นลักษณะที่เป็นทุกข์อะแล้วก็มีอนัตตลักษณะหรือลักษณะที่เป็นอนัตตาคอนโทรลไม่ได้ในนั้นอยู่แล้วก็มีความไม่งามในนั้นด้วยบโอ้โหเนี่ยเห็นไหมแม้ตัวจักรคูประศาส์นั้นก็มีมีมีลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแล้วความไม่งามอันนี้คือลักษณะของสามัญลักษณะนะแต่ก่อนสามัญลักษณะนั้นมีปัจจัาตลักษณะ คือจักรครประสาทท่านมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงใช่ไหมเออมีกิจของเขาอย่างไรแล้วก็มีอาการปรากฏอย่างไรมีเหตุใกล้อย่างไรของจักรครประสาทเป็นต้นโอ้โหนี่เห็นไหมท่านต้องการให้เห็นว่าสัมมาสัมพุทธะที่ไปรอบรู้ทุกขัสัตแล้วก็วิจัยลึกลงไปไว่าไอ้ตัวทุกขัสัตเหล่าเนี้มาใครเป็นตัวประชุมใครเป็นตัวปรุงแต่งใครเป็นตัวสร้างมาตันหาคือตัวสมุ ท, ทยัยตันหาเป็นตัวผลิตโรงงานกล่าคือจกักรคประสาทตัวเนี้ย และตันหานั้นบวกกับกรรมกั บ, กบอวิชาออาวิชาตันหากรรมในอดีตเป็นตัวผลิตตัวจกักรครูสาสตร์เมื่อให้จกักรครูศาสตร์มาแล้วต้องให้ที่ตั้งด้วยให้ที่ตั้งของเขาด้วย